ขอความสุขความเจริญจะมีในท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมกำลังนำเสนอพระสูตรในมัชฌิมานิกายมูลปัญนานตะก็ได้เสนอสันเลขสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยธรรมเป็นเครื่องขัดเกลา อันเป็นประธรรมเทศนาที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงตามคำกราบบังทุบังคมทูลของพระมาหาจุตธาเทระเราจะเห็นว่าหลักธรรมที่ทรงนำมาอธิบายขยายความนั้นแบ่งเป็นฝ่ายกุศลและกุศลรวมแล้วถึงสี่สิบสี่คู่ด้วยกัน โดยการมองในแง่ของความเป็นจริงมันก็ครอบคลุมหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในส่วนของสมุทัยสัตว์กับมรรคสัตว์ไว้ทั้งหมดแต่ก็อย่างที่ทราบนะฮะว่าโลกทั้งปวงสา ก, กลจักรวาลทั้งปวงมันสุ่มรวมแล้วก็คือหลักของอริยสัจ ในส่วนที่เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการธรรมชาติโดยเฉพาะบางมนุษย์ไปเพิ่มเติมขึ้นมาบางหรือประสมประสานกันทั้งสองอย่างบ้างสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นทุกขสษัตริย์แต่ว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ย มนุษย์มันประกอบด้วยจิตตนิยามแล้วกกรรมนิยามแปลงขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์มนุษย์จึงสามารถใช้ทุกขสัตร์เนี่ยคือพวกปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายอะไรก็ได้ไปในทางที่เพิ่มทุกข์ก็ได้เพิ่มกิเลสก็ได้เพิ่มธรรมะ ก, ก็ได้และนำไปสู่มรรคผลนิพพานก็ได้ ปัญหาสำคัญว่าเขามีความคิดในเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขนาดไหนก็นี้ลองสังเกตว่าที่พระโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรห็นเทวทูตสามข้อแรกนะที่จริงก็เป็นอาการของทุกขสัตว์ก็คือกองแห่งขันทั้งห้าปรากฏเป็นรูปของชีวิต ที่แก่ที่เจ็บแล้วก็ที่ตายก็ตายก็ไม่ใช่ชีวิตแล้วคือแสดงวิญญาณก็ออกจากร่างไปแล้วพวกนี้ดูจริงๆก็คือรู ป, ปรนามตีส่วนของนักบวชนี่เราจะว่าส่วนสังขารร่างกายของตัวนักบวชมันก็เป็นทุกข์สั เจียใจของนัก บ, บวชเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตของท่านว่าตั้งคิดเป็นกุศลหรือคิดเป็นอกุศลการทำการพูดการคิดของท่านเนี่ยมันสะท้อนได้ทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็ทั้งกลางๆาง พ, พระุศ า, าสนก็ใช้เป็นบทเรียนได้ทั้งหมด โธอกกลายเป็นแรงผลักดันที่นำไปสู่การเสด็จออกพนวดบนเส้นทางของการแสวงหาภสมณาสัมปจนยานเราจะเห็นว่าพระโพธิศัตว์ก็อาศัยทุกขสตัตย์เช่นว่าเสียงพิด น, นี่ที่จริงมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์ด้วยคือเครื่องพิ์ทั้งหลายนี่มันเป็นทุกขสตัตย์แต่ใจของมนุษย์ที่คิดเนี่ย ก็ส่วนใหญ่มันก็แต่ตอนนี้ประกอบด้วยกุศลนะฮะเพราะว่าเสียงพินเนี่ยชัดเจนบอกว่าดีดพินจับพระบำจงทําสายพอดีตึงนักสายมัขาดเพลงพินาศพระเสียงใสห ย, ยอด น, นักสายหมดไปจงทําสายพอดีก็แสดงเห็นว่าเป็นการสอนธรรมเป็นการชี้แนะเป็นการบอกคนทาง่างการประพฤติปฏิบัติให้ด้วยกุศ ล, ลเจตนาองทัสกาเทวราช หรืออาจจะเป็นปัญจสิขาเทพประบรุก็ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะสัสรู้เนี่ยชัดเจนเลยฮะว่าเราจะเห็นว่าท่อนไม้นี่มันเป็นทุกขสัตว์แต่พระโพธิสัตว์กลับมามองเป็นอุปมาในมิติของสมุทัยสัตว์กับมรรคสัตว์โดยข้อความตัว น, นั้นเนะี่ยแล้วก็มีไม้สามท่อน ท่อนหนึ่งเป็นไม้สดชุ่มอยู่ด้วยยางแล้วก็วางไว้ในน้ำคือเปียกทั้งสองเปียกเปียกน้ำด้วยแล้วก็เปียกยางด้วยอีกท่อนหนึ่งเป็นไม้สดแต่ก็วางไว้บุบบกคือเปียกยางเดียวก็เปียกยางอีกท่อนหนึ่งเป็นไม้แห้งเปิดมุมมองของพระโพธิสัตว์คือถ้ามุมมองของชาวบ้านมันก็คืออาจจะทำฟืนไม้ใหญ่ขนาดไหนก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ใครจะคิด แต่ไม่มีใครคิดไปจนถึ ง, ถงมรรคผลนิพพานหรอกเห็นท่อนไม้ถึงมันก็เกิดโลภะแต่สามันชนทั่วไปก็อาจจะไปทำพื้นแต่ท่อนไม้ใหญ่ก็เป็นช่างเป็นเชิงก็อาจจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็แล้วแต่แหละแต่สรุปว่าไม่มีใครคิดไปเรื่องมรรคผลนิพพานแต่พระโพธิสัตว์กลับคิดดึงเอาท่อนไม้เหล่านั้นเข้ามาหาพระองค์ แล้วพระไทยของเูกไปเทียบกับทอดไม้ก็ได้อุปมาขึ้นสามสามประการว่าสมณพรามหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามทั้งจิตใจก็ยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสมณพรามหมณ์เราดันแม้จะใช้ความเพียรให้แสบเผ็ดสาหัสยังไงก็ตามไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษได้มันเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ในยางและวางว้นนน้า บุคคนี่ต้องการไฟนมามสีเนี่ยไม่สามารถให้เกิดไฟขึ้นมาได้เพราะมันเปียกทั้งย่างทั้งน้ำเดี๋วกลับมาดูพระองค์ว่าพระองค์ได้อยู่ในประเภทนี้หรือไม่ปรากฏไม่ใช่อย่างน้อยพระองค์เวลานี้กายออกจากกามแล้วก็มางองท่านที่สองเป็นไม้สุดที่ชุ่มอยู่ในย่างที่วางไว้บนบก เราพิจารณาว่าสัม พ, พรนธภาพเราได้เราหนึ่งที่มีกายออกจากกามแล้วแต่แว่าจิตใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสัม พ, พราธมณ์เหล่านั้นแม้จะใช้ความเพียรพยายามให้ขนาดหนักยังไงก็ตามไม่สามารถจะบรรลุภูมิพิเศษได้เหมือนไม้สุดที่ชุ่มอยู่ในยางแม้วางไว้บุบบุกมันก็เปียกยางไม่สามารถจะนำมาเสียเกิดไฟขึ้นมาได้ แล้วกลับมามองที่พระองค์ปรากฏว่าพระองค์มีลักษณะอยู่คือยังมีกิเลสอยู่ภายในแม้กายจะออกจากการมแล้วแต่ว่ากิเลสภายในเนี่ยอย่างอย่างไม่หมดเราก็มองไปทัดไม้ที่ 3. สามถือเป็นไม้ไม้แห้งที่ปราศจากอย่างและวางไว้บนบกมันก็กลายเป็นคติสอนใจ วัามะน้ำพรมเราได้เราหนึ่งที่มีกายก็ออกจากกามแล้วทั้งจิตใจก็ อ, อยากไม่พัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสัชมารรมเหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียรพยายามไปก็จะบรรลุคุณพิเศษได้มันเหมือนไม้แห้งที่ปราศจากยางแล้วก็วางไว้บนบกคนที่ต้องการไฟก็นำไปสีให้เกิดไฟขึ้นมาได้พระองค์ก็อยู่ในจุดนี้คือพระไทยไม่ถึงกหมกมุ่นในกิเลสหรอก เพราะก่อนหน้านั้นพระองค์ก็เคยผ่านสมาบัติแปคือรูปฌานสี่รูปฌานสี่มาแล้วในสำนักดาบททั้งสองปัญหาที่จะต้องทำก็คือมาแก้ที่จิตหลังจากนั้นก็ตัดสินพระไทยมาเสวยปัริรรยาหารจนมีเรี่ยวแรงมีกำลังแต่หลังหลังจากเสวยข้าวมาทุ ป, ปายาจากนางสุจาดาแล้วก็ รอยถาดอธิษฐานพระไทยรอยถาดในแม่นม้ำนิรันชาราเดี๋ยวข้ามากมาด้านต้นพระสีมาปูเนี่ยโสตยพรามได้ถวายยาค่าเพื่อประโยชน์อะไรเขาไม่รู้นะเขาก็เดี๋ยวอาสนะอะไรสมัยนั้นก็ไม่มีพระองค์ก็มาลาดแต่ก่อนที่จะขึ้นไปประทับนั่งเนี่ย ทรงทบทวนรูปฌานสี่รูปฌานสีที่เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารกับเป็นสันติวิหารธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงว่าไม่ใช่เครื่องขัดเกลวที่แท้จริงปัญญสุขนีจะหยุดะแต่ก็ให้ความสุขในปัจจุบันให้ความสงบในปัจจุบันได้ แล้วว่าตายไปแล้วเนี่ยถ้าฌานม่เสื่อมก็บังเกิดในรูปในในรูปประพรมมารูปพระพรมได้แต่ถ้า ต, ตายตายตอนฌานเสื่อมเนี่ยเขาไม่แน่าตายด้วยจิตยังไงก็ไม่รู้ทัานก่อนที่จะเสด็จขึ้นประทับนั่งใต้ต้นประสีมาโพเนี่ยตรงชำนาญในด้านวัตสีคือชำนาญในเรื่องเรื่องการเข้าฌานออกจากฌานอยู่ในฌานอธิษฐานฌานเนี่ยชำนาญหมดแล้ ก็นั่งแป๊บเดียวก็ไปแล้ว น, นก่อนที่จะเสด็จประทับตั่งตรงนี้บรรลุสัมมาบาทแปดแล้วซึ่งนักศึกษาพระพุทธศาสนาต้องมองในมิติของประวัติศาสตร์คือการกาละกะเทศาสตร์กับบุคคลรดยจะนึกว่ากาละตรงนั้นเทศาสตรงนั้นบุคคลผู้นี้ ไม่มีกิเลสมานมาล ก, กวนพระไทยอร่อยเพราะผู้นี้สงบไปด้วยวิขัมพนะปะหานจิตมันเป็นวิขัมพะนาปิมุติขึ้นหลุดพ้นด้วยองค์ฌานที่สยบกิเลสเอาไว้ตรนมานที่มาประจุพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องพูดเป็นตีความเป็นธรรมารถิฐานในบุคลาธิฐานในเรื่องบุคลาธิฐานเลยเป็นวัตสวัตติมานที่เป็น จอเทพในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัสดีคราวนี้จะเห็นได้ว่าในอการมองเนี่ยในอการมองสิ่งทั้งหลายของพระพุทธเจ้านี่ยในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์และมาชอบในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์นั่พระพูดไปแล้วเนี่ยบางระดับที่เราทําได้แต่ถ้าหากว่า เร า, เาระดับที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยากหน่อยช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์จึงจึงให้อะไรแกเราเยอะนมันเป็นวิถีชีวิตของนักปราดท่านหนึ่งที่สามารถหาประโยชน์ได้ทุกอย่างรอบพระองค์ก็เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะว่า อาศัยเสียงพินกับอาศัยถอนไม้เนี่ยจับทิศทางนำไปสู่การจัดสรู้อนุตต ร, ส, รสัมมาสัมโพธิญาณได้แล้วในในพระสูตรในวันนี้เป็นพระสูตรที่พระสารีบุตรเถระเป็นคนแสดงนะฮแต่นี้พระสารีบุตรเนี่ยเวลาท่านแสดงอะไร แต่จะแสดงลึกซึ้งละเอียดแล้วก็หลักมากแต่ถ้าพูดถึงองค์ธรรมที่จริงก็ซ้ำซ้ำก็ที่ปรากฏในพระสูตรก่อนคือในสันเลขสูตรแล้วก็มองกลับไปว่าในสันเลขสูตรที่จริงมันก็ซ้ำกับในวัตถุประมัสูตรธรรมะก็คือธรรมะมันก็ความตอนนี้ขึ้นต้นว่า กัพระเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันอันเป็นอารามของอนาถบินติกะเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีหรือว่ากรุงสาวัตถีก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ในเขตกำแพงเมืองก็เป็นวา ท, าทิพราณ น, นท่านเล่าให้ประสังคีติกาจารย์ เรอาจารย์ที่ทำสังคายนาฟังเผลข้็ความที่จริงขึ้นเอวเมเมเนี่ยมันก็ไม่่อยมากหรอกเพราะว่าไปถึงจุดบางแห่งเช่นในแถวของพวกอังคุตรนิกายกสังยุตรนิกายซึ่งมีประสูตร์มากที่สุดเนี่ยมันเป็นหัวข้อและท่านจะเขียน่าสาวถินิทานผลถ้าะะจะขึ้นเต็มก็ความก็ขึ้นอย่างนี้ แต่ว่าเขาไม่ขึ้นไหวปอรู้กันก็กลายเป็นหัวข้อถึองก็ถือเป็นเรื่องที่ทแปลกนะคือคำภี์าศาสนาหลักๆเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อมันจะเป็นหัวข้อของาศาสนาคริสต์เป็หัวข้อฉีกยึบเลยคำพีเบบเี้เ น, นี่ยหัวข้อก็ทีกยึบยก็รู้สึกกับสองบรทัดสองบรทัดก็เรียงไปเรื่อย ทีนี้พระสารีบุตรเนี่ยก็เรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าคุณภิกษุเหล่านั้นรับสนองคําของพระสารีบุตรเขาเรียกมาเป็นเจตนาเป็นความต้องการที่จะพูดกันในหมู่พี่น้องคือพระสารีบุตรเนี่ยมันก็พี่ใหญ่อะพระเจ้าทรงอุปมาว่าพระสารีบุตรเนี่ยเหมือนมารดาผู้ให้เกิด พระโมคลานะก็เหมือนแม่หนุ่มที่มีหน้าที่เลี้ยงดูเด็กที่เกิดขึ้นมาพระสารีบุตรก็กล่าวว่าคุณที่เรียกว่าส ม, มาทิทฐิส ม, มาทิทฐิตังเนี้ยด้วยเหตุกี่ประการนะคุณพระยาสาวกจึงจะเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรง ประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไมครอนแคลนได้มาสู่ประสัทธรรมนี้แล้วโอ้ยเรื่องใหญ่นะประโยคสั้นๆแค่นั้นเนี้ยเพราะอย่าลืมว่ามันมีความศรัทธาเลื่อมใสที่ที่ไม่ครอนแคลนทีนี้คนถ้าระดับไม่คลอนแคลนแล้วมันไม่ใช่ธรรมดาละเพราะคนทั่วไปมันก็คลอนแคลนนะฮะ วันก่อนได้ดูรายการพระเรียกกาถอดรหัสเป็นรายการที่เขาเผยแพร่เรื่องพระไปบินทบาทในกลางคืนตีสี่ที่พัทยาใต้ที่หน้าวัดชือวชัยมงคลและในสุดก็ชาวว่าเขาก็จับมา ก็นำส่งไปวัดต่างๆก็ปรากฏว่าบวชมาถูกต้องถึงมายังมองแล้วก็สงสารนั่นสงสารคนตักบาตรสงสารพ่อค้าแม่ค้าที่จะตั้งเป็นแก๊งนะฮะหลอกลวงชาวบ้านเราหมุนวนอาหารหมุนวนสังกทานแต่เราก็นึก เข้าใจสศกสารผู้หญิงที่ก็มีอาชีพ ก, กางกาคืนนะใสซื่อนะฮะความคิดก็ใสซื่อมากเลยแม่แต่ว่ารักข่าวทีวีไปสั่ถามแล้วก็บอกความจริงให้ทราบเนี่ยเ ข, เขาก็ไม่คิดอะไรเยาบอกว่าเขามีโอกาสท่า น, นี้เขาก็ทำบุญเขาคิดว่าเขาทำบุญทำไปแล้วเนี่ยท่านจะไปทำอะไรเป็นเรื่องทาง่านโอ้คิดได้ไม่ใช่เล่นนะคือเป็นเป็น เป็นจิตที่น่าชื่นชมมากเป็นดอกบัวในโคลนตมคือถ้าเราฟังความคิดของเธอแล้วก็น่าทึ่งนะฮะแต่เขาก็ปล่อยมาเฉพาะเสียงไม่เห็นหน้ า, า, าเนตาครับคูอบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเห็นเธอเป็นมิจฉาทิฐิ ไม่เห็นชอบในกฎของกรรมถึงเป็นสมาธิที่ขั้นพื้นฐานเนี่ยเธอมีมือมีเท้าเธอไปยืนรับบาตรอยู่ได้ตั้งสามชั่วโมงอออกจากที่พักไปตั้งตีสี่นั่งรถมาแล้วทำไมไม่ทำบากินทำไมมาบวชหลอกหลวงชาวบ้านน่ มันสร้างนารกแทๆ้ๆเพื่อเดินที่จะมองแล้วก็ตำหนิเขาเออน่านสงสารเนะี่คือนี่ปัญหาสังคมสังคมจะต้องเข้าใจนะว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาสังคมไม่ใช่ปัญหาของศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนจากสังคมเข้าไปสู่ศาสต์ศาสนาด้วยเจตนาลมในการบวชจะไม่ชัดเจนนะเพื่อต้องการปฏิบัติขัดเกลาจิต อุปช a ย a ก็เน้นยำ้ำว่าให้ศึกษาในศีลสมาธิปัญญาอันนี้ศีลเธอก็เอาไม่รอดละคือเป็นเป็นบุคคลที่น่าสงสารเพราะเราเห็นว่าสัมมาทิฏฐินี่ที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบตามปกติเราจะแปลว่าปัญญาเห็นชอบแต่ว่าพระตัตถาจารย์เนี่ยท่านอธิบายไว้ว่ามันเป็น ความเห็นที่ดีงามเป็นความเห็นที่สวยงามซึ่งคำวาสมาทิฐิเนี่ยคือถ้าเราแปลจริงๆเราจะเห็นว่ามันมันก็มีถึงสองระดับสมาทิฐิระดับที่เป็นโลกิยะกับระดับที่เป็นโลกุตระดับเพระท่านแปลจริงๆเนี่ยท่านแปลว่า ทิฏฐิทั้งดีงามทั้งประเสริฐชื่อว่าสมาธิแต่ว่าเราแปลโดยทั่วไปเนี่ยแปลเข้าใจง่ายว่าความเห็นชอบหรือบางทีคนก็ยักไปแปลว่าความเห็นถูกต้องแต่ที่พระตาาจารย์ท่านท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายว่าทิฏฐิทั้งดีงามทั้งประเสริฐเนี่ยชื่อว่าสมาธิ แล้วก็สมาธิทิก็มีสองระดับทีการจะเกิดสมาธิิเนี่ยที่จริงมันก็เรียนรู้มาทางภาษาทสัมผัสเขาเรียกปรโตโขโศาส์เนี่ยหมายความเมื่อสัมผัสโลกของของวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นวัตถุดิบคือถ้าเราเทียบประจิตเนี่ยเหมือนกับโรงงานประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับวัตถุดิบมันจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน โรงงานมีประสิทธิภาพสูงมากแต่ไม่มีวัตถุดิบปอลบอ น, บอนหรือตัววัตถุดิบนี่ไม่มีคุณภาพโรงงานก็ผลิตอะไรไม่ได้แต่ในขณะเดีวยวกันวัตถุดิบในจำนวนมหาศาลมากและมีคุณภาพสูงมากแต่โรงงานไม่มีประสิทธิภาพมันก็ผลิตไม่ได้ไปสภาพใกล้เกอกินด่างความรู้ทุ่งหัวตัวไม่รอดมันก็มีปรากฏได้เห็น เพราะในปัจจัยที่จะเกิดสมาธิิข้างในเนี่ยคือโยนิโสมนสิการเป็นหลักการคิดยังมีระบบมีกฎมีเกณฑ์มีที่ไปมีที่มามองเหตุเชื่อมโยงหาผลมองผลเชื่อมโยงหาเหตุมองเป็นระบบมองเป็นกระบวนการทช่ น, น, า ก, านรกระบวนการเนี่ยหมายความว่ายังไงกระบวนการหมายความยังไงซึ่งก็หมายความว่า สามารถจะเข้าใจได้สามารถจะอธิบายได้สมาสธินั้นท่านแบ่งออกเป็นสองฝ่ายความหนึ่งก็เรียกว่าโลกิยาสมาสธิคือท่านท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจ วิานพูดส่วนยอดแล้วก็หดไม่ใช่พูดส่วนหัวแล้วก็พูดส่วนหางเดยตรงกลางเนี่ยเราก็ต้องนึก่อาเองว่า ม, มีอะไรถพิสมาธิิในอัตถาปปัญญสุทนีที่มัชฌิมนิกายเงเี้ยเขาทีเนี้ยท่านอธิบายไว้เป็นเป็นห้าประการครับการแรกคือกรรมสักกตสมาธิิเราเห็นว่าตรงนี้บางทีใช้ศรัทธา แทสัทธาเนี่ยจะใช้คำสามคำํำคือกรรมสัทธามีความเชื่อถึงความมีอยู่ของกรรมวิปากัสัทธาเชื่อความมีอยู่ของผลกรรมกรรมสกตาสัทธาเชื่อการที่บุคคลผู้ทํากรรมเป็นเจ้าของผลแต่ในที่นี้เอาคําเดียวเอากกรรมสกตากรรม ส, ก ต, ก, รรมสกตายาณนะ แต่ตรงตรงนี้ก็แล้วแต่กามสัคตาศรัทธาก็ได้กามสัคตายานก็ได้กามสัคตสมาธิทิก็ได้ก็แล้วแต่ระดับสมาธิทินั่นถ้าเทียบอย่างนี้ก็เรียกว่าก็ตามปว่ญานหน่อยแต่ก็คือปัญญาด้วยกันแต่ว่าสมาธิทิเนี่ยมันเป็นโลกิยะตัวยานที่จริงก็เป็นโลกิยะนะแต่ว่า มันเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมที่นำไปสู่ตัวตัวนิโรธกรรมสกตกกรมสักตาสมาทิทธิหรือสมายญานแปลว่าปีชาอย่างรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนตามตามบทตรงเนี้ยเราจะพบว่ามันเป็นสูตรอยู่เลยจำไว้ทีเดียวแล้วก็แล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตเลย เพราะลงตัวมันเป็นสัจธรรมเนี่ยคือสัจธรรมมันไม่เปลี่ยนแปลงอเกลือก็เค็มอะน้ําตาลก็หวานไฟก็ร้อนอะมันไม่มั น, ม, ม, น ม, มีความเปลี่ยนแปลงในความเป็นสิ่งเหล่านั้นเป็นบางครั้งแต่งเรียกว่าสภาวธรรมกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือสัมมาญาณเนี่ย เป็นปรีชาที่อย่างรู้ถึงการทิศทางทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมไม่กรรเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเคยทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นทีนี้ในขณะเดียวกันมันก็มีวิปัสสนาสมาธิคือปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น มายความมาเข้าใจรูปนามว่ามันตกอยู่ในกฎของปัจจัยลักหรือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาและการรู้เห็นแบบนี้หมายความมาตัณหามาณนะทิติต้องลดอย่างที่พูดไวในพระสูตรก่อนคือในชั้นเลกสูตรเพราะวิวปัสสนาเนี่ยอารมณ์มันที่จริงเราจะเห็นว่าก็ไม่มีอะไรก็คือ น, นา ม, มารู้ แต่แก่ขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปดอินทรีย์ี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมบัติมันก็เป็นอารมณ์ขาใหิปัสนาเมื่อราจะจับตรงไหนขึ้นมาได้มันก็เทือนถึงกันนะก็ทานองคล้ายๆกับโพเิปกิยธรรมสาสิบเจ็ดที่จริงไม่มีอะไรโพธทปกิยธรรมสามสิบเจ็ดก็คืออริมัคมีองแปดประการ อันนี้างเป็บบประการก็คือใจสึกขาก็คือศีลห้าไ อ, อ้คือคือศีลสมาธิปัญญาหรือคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลแสมบูรณ์การทำดีได้ฟองแผ้วเพราะวิวปัสสนาสมา ธ, ธิิหรือว่าสมาญาณะก็ตามมันเป็นญาณที่เกิดผุดขึ้นรู้เห็นถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น แต่ตรงนี้ยังเป็นโลกิยาหนะคือถ้าเราไปนึกถึงวิสุทธิ 7, เจ7เราเห็นว่าอยู่ระดับสามคือสีลวิสุทธ์จิตวิสุทธ์แต่ตอนนี้เป็นทิฏฐิวิสุทธ์คือความหมดโดดแ่งทิตติคือความคิดเห็นควาเหตุนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ต่อไปเนี่ยที่จริงเป็นเป็นเป็นโลกิยาก็ได้เป็นโลกุกลกกตระก็ได้นะ ก็แล้วแต่ว่าจะพูดในระดับใดทีนี้อาการจเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของนามารูปไปเรื่อยๆคือท่านจะพูดว่ากรรมสกตาสัมมากรรมสกตายานจนถึงสัจจานุโลมิกญาณโอไปใหญ่เลยตรงนี้เป็นเป็นเป็นโลกิยะเป็นโลกิยะสมาธิ ตรวนี้ก็เป็นตรงส่วนหนึ่งนะฮะส่วนของวิปัสนาญาติวิปัสนาญาตยมันมีเก้าประการคือเป็นการเห็นด้วยจิตเราอาจจะพิจารณาอะไรก็กตามนะฮะอาจจะพิจารณาเปลิวไฟก็ได้แสงเทียนก็ได้น้ําก็ได้อะไรก็ไดนะ้เราจะเห็นว่าอย่างพระปต่าจาราเทรีภิกษุณีเนี่ยท่านพิจารณาน้าลางเทา พระกิสาโคตมีเนี่ยท่านพิจารณาเปลวเทียนที่จุดบูชาพระก็เห็นนามรูปคือทั้งน้ําทั้งเทียนเนี่ยทั้งนา้าทั้งไฟเลยมันเป็นนามรูปมันเกิดดับเกิดดับให้เห็นเลยแล้วท่านก็ยกขึ้นพิจารณาก็กลายเป็นวิปัสนาญาติเข้าไปสู่กระแสของไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนิจตาทีนี้ในตรงเนี้ย มันมีมันมีอยู่ข้างหน้าข้างหน้าสัจจนนานุลุุกิยานอีกแปดข้อนะครับมีข้อหนึ่งที่ตออปนาวันจันนียายโยมถามเรื่องเรื่องยานสิบหกคือตอนปกติยาน16หกเนี่ยเขาจะสอนกันในข้องกรรมฐานสำหรับคนที่ปฏิบัติกรรมฐานผ่านการสอบอารมณ์อะไรมาแล้วเยอะนะฮะคือกว่าจะพูดกันเนี่ย ซึ่งบางครั้งมันก็พูดแบบแบบสัญญาบางครั้งก็พูดแบบตัวอย่านที่ท่านที่ท่านได้สัมผัสวิปัสนาญาเนี่ยรียกานในวิปัสนาหรื อ, อยานที่นับเนื่งในวิปาาัสนาญาวิปัสนาคำวิยญาณก็คือความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในจิตเรนามารูปจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ไม่รู้ลนะ ก็แล้วแต่ท่านตกอยู่ในกฎของตรักแล้วไอ้ตัณหามาณาทิฏฐิมันจะลดหรือที่จัดเป็นวิปัสนาคือความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้งเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันขัดเรามันขัดเราจิตให้ สนามมานาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยกส็สงบลงไปโดยลําดับคือมันจางคลายลงไปโดยลําดับท่านก็เรียกว่าอุทยพายานุปัชนาญาณญาณนั้นตามเห็นความเกิดและความดับคือพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งเบญจขันธ์จนเห็นได้ญาณ น, นะเราจะว่ามันไม่ใเห็นได้ตาคือถึ ง, งจุดนึงต้องเห็นได้ญาณเห็นเห็นได้ใจอะ่ะ ชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปในที่สุดมันก็อยู่แต่ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็อยู่ดับดับดับดับไปเรื่อยๆแต่นี้ก็จิตมันเดินไปไปไปหลายข้อแล้วนะพูดขนาดนั้นนะข้อที่สองพังคานุปสนาญาณญาณนั้นเห็นตามความสลายหรือความ ไม่เห็นความเกิดเช่นนั้นแล้วคำหนึ่งเด่นชัดในความดับอันเป็นจุดจบสิน้นก็เห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนจะต้องสลายไปทั้งหมดถ้าเราเห็นได้อย่างนั้นอย่างนี้มันยังอย่างอย่างอย่างคาถ า, าบางสกุลเนี่ยอา น, นิจะวตสังค า, าราวาดวายาธามิโนปิชิตวันิรุชนติเตสังวุปิสมุสุสขโค สัญคานทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีการเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเท่าไรก็เท่านั้นนะตรงนี้ที่จริงต่าหากว่าเราไม่ถึงก็เอาจริงก็จังอะไรเท่าไรอ่ะนะคือทํายังไงว่าไอ้พวกปรากฏการธรรมชาติทั้งหลายเนะี่ยเราต้องจะยอมรับความจริงว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง ไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกน้ำท่วมก็รักษาตัวให้ปลอดภัยก็แล้วกันแล้วก็หาประโยชน์จากน้าไม่ได้มากที่สุดฝนแรงก็ต้องยอมรับความจริงรเราบ่นไปยังไงมันไม่ตกอก่ะมันตกมันก็ตกของมันใครไม่ต้องบ่นหรอกแล้วการมากน้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยของมันเราต้องการให้มากก็ไม่ได้ มันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยเข้ามันเราต้องการให้น้อยก็ไม่ได้เออตกล้นไปแล้วเราต้องการให้หยุดมันก็ไม่หยุดอะถ้ามันยังมีเหตุปจัจจัยอะเรียนว่าการเข้าใจสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางใช่ป่ะเยื่อแบกโลกเอาไว้แบกโลกเอาไว้มันเดือดร้อนโลกมันมีให้เหยียบไม่ใช่มีเห้แบกไปปล่อยใช่ป่ะวางวางใชบป่ะ แล้วฟังเราก็รับฟังนะะก็จบแล้วฟังแล้วก็จบนะคือเรื่องมาเรื่องมันเป็นนอกวิสัยรับรู้เอาไว้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าปัญหาว่าเราทําอะไรได้ถ้าทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้มันก็ปล่อยมันไปเพราะเราเห็นว่ามันชัดเจนว่าสิ่งต่างๆนี่เกิดดับไม่มีอะไรที่อยู่ชั่วในด้านเราไม่ต้องกลัว โลภเนี่ยทุกมันก็เท่านั้นเน่ยทุกถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องต้องลดมันถึงจุดสูงสุดแล้วมันต้องลดอันคิดได้ไหเราโยนของขึ้นบนอากาศประเดี๋ยวมันตกหมายความว่ายิ่งสูงยิ่งใกล้ตกให้เราสังเกตเราโยนของขึ้นไปเนี่ยยิ่งสูงยิ่งกล้าจะตกครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรมากพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่า พยัตูประธานญนยานยานที่มองเห็นสังขารที่ปรากฏเป็นของน่ากลัวคือมันแตกสลายให้เห็นนะมันมันเสือมันแตกสลายเห็นคล้ายๆกับศพที่มันมันเปื่อยให้เราดูเลยแล้วมันมันมันมันย่อยไปเรื่อยเลยหรือคล้ายๆเราดูน้ําแข็งแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยมันมันไม่ปฏิกูลก็ดูไม่ชัดแต่น้ำแข็งนี่ก็ก็งอแงชัดนะฮะคือมันเสือไม่เห็นเลย ละลายเห็นต่อหน้าต่อตาเลยทั้งขาทั้งหลายจริงก็เป็นอย่างไงเนี่ยเพราะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกสรงนี้ตั้งหลักไม่ดีไม่ได้นะตั้งหลักไม่ดีอาจจะกลัวจนเกิดขยะขแข ย, ข ย, แยงเกิรังเกียจตัวเองขึ้นมาแล้วเกิดอาจจะฆ่าตัวตายได้นะตรงเนี้ยพิสุจําจำพรรษาในริมฝั่งแม่นามมา้ำบาคุมุธา ที่เป็นเหตุให้พระเจ้าส่งบัญญัติไะวินัยเนี่ยพนั้นก็อวดรุตริมนุสธรรมบางทีนี้นบางพวกเนี่ยคือมันเกิดเกิดเห็นเห็นร่างกายเปื่อยเน่าสปกปรกแล้วก็ฆ่าตัวตายหรือจ้างคนอื่นจะฆ่ า, าตัวนั้นอวเกิดปัญหาเยอะเลย แต่ว่าพระเจ้าทรงรู้ก่อนว่าพวกนี้กรรมก็มาถึงตอนนั้นก็ให้กรรมฐานอะไรเงนินไปมันก็อย่างน้อยเขาก็เห็นนี่ยนะเห็นระดับเนี่ยเห็นระดับที่เขาเรียกว่ามีการแตกสลายทั่วไปแก่สิ่งทั้งหลายผลสังขารทั้งปวกไม่ว่าจะเป็นไปในทางในภพใดในกติใดมีสภาพอย่างไรอดีตอนาคตปัจจุบันอยาบละเอียดเลวประณีตอยู่ใกลอยู่ใกล้มันก็คือการเงี้ย คืต้องแตกดับไปในที่สุดแล้วก็อาชีนวานุปาานัสนาญาณตอนนี้จะเห็นโทษแล้วโทษสิ่งที่เรายึดติดมันไม่มีอะไรอ่ะมันเหลนก็เราไปอยู่ในท่ามกลางของสิ่งสกรปรกปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยก็แน่ที่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นไอ้สาวสารกำนันในเป็นฟากศพไปทิ้งอยู่ในป่าชาหรือที่ปยาศาสตร์ท่านเห็นแล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ย คือไม่จะเห็นในตาเนื้ออย่างเดียวแต่เห็นใ้ตาใจตาข้างในมันเกิดพิจารณาแล้วเกิดเบือเ่อหน่ายกิดอึดอัดระอาพระยา ก, ก็เดินบน่นฮะพระโพธิสัตว์ก็นิยบวชเลยปัญญาณเวนี้จะคาหนึ่งเห็นโทษเมื่อพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงที่ล้วนจะต้องแตกดับไปเป็นของน่ากลัวไม่ปลอดภัยทั้งสิน้น ก็จะคำานึงเห็นทั้งสังขารทั้งหลายว่าเป็นโทษเป็นสิ่งที่มีความบกพร่องแล้วก็ตันจะดูแค่ในะสังขิตัคือประกอบด้วยทุกขะมันทุกข็เห็นจัดจะเลประการต่อไปจะเกิดเบื่อหน่ายก็เรียกว่านิพพานอุปสนาญาณคำหนึ่งเห็นด้วยความเบิด น, นายคื อ, คอมันมันก็คล้ายๆกับเราอยู่กับซากศพอะไรเนี่ยนะจกก็อยู่กับสัตว์ร้าย มันเบื่อหนายไม่รู้จะอยู่ทำอะไรใจก็จะไม่กำหนัดเพลิดเพลนนั้นเราจะเห็นว่าบารมีไม่เบานะฮะเกิดเห็นได้ขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาคือบางทีที่พูดพูดกันไปอ่ะแต่อย่างโลภเยอะเลยก็แสดงว่ามันเป็นสัญญาใช่ไ คือถ้าเห็นมันไม่โลภอะมันไม่มีอะไรอะมันมันมันต้องเวน้าวแต่ดับไปทั้งหมดในสุดก็จะเกิดเขาเรียกว่ามุนจิตุกรรมมยตาญาณขยานที่คำหนึ่งใครจะพ้นไปเสียจากที่นั้นเมื่อนายสังขารทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ปรารถนาที่จะหลีกหนีไอ้สิ่งที่เรานายในสุดก็จะพิจารณา พิจารณาก็เรียกว่าพิจารณาหาทางคือต้องการจะพ้นไปจริงๆ จ, จึงกลับผันเขายกกสังขารทั้งหลายขึ้นมาพิจารณาตามกฎของประจัยลัก์แล้วก็จนเห็นว่าไม่เชื่องเป็นทุกเป็นนาตาอย่างที่ยกตัวอย่างในหนาตาลักษณะสูตรมาเนาี่วันก่อนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เข้ามาที่สังขารูปเปรยญ ข, ขายานคือจะวางเฉย ไม่พอใจไม่ยินดีต่อสังขารทั้งหลายเพราะเกิดรู้เห็นตามสภาวะของสังขารทำความเป็นจริงว่ามีความเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดามันก็เป็นในที่มันเป็นนั่นแหละแล้วเรียนว่าเนี่ยสมมติว่าเออมันเป็นในที่มันเป็นเนี่ยหมามันเถ่าหมามันควัดกันไม่ต้องไปเดือดร้อนมันหรอกมันก็เป็นในที่มันเป็นนั่นแหละ ไอ้มาไม่พัดไม่เห่ามันก็ไม่ใช่หมาแล้วแล้วจะตรงตกอะไรไปได้เยอะนะพะไลองฝึกทำจิตหัดหัดให้เข้าถึงธรรมดาของหลายๆเรื่องหรือว่าแม้แต่เราอยู่กันเนี่ยไอ้คนโกรธก็ส่งเสียงเงียบวิไวมันก็ธรรมดาคนโกรธความโกรธมันเกิดแก่ใครมันก็เป็นอย่างนะั้นแหะก็เรามองเขาด้วยความส ง, งสารแต่ถ้าจะมองเขาด้วยความโกรธอ่ะ คนโกรธเป็นคนที่น่าสงสารนะ ค, คือมเหมือนคนผีสิงอ่ะเดีย๋ยวถ้าเราเทียบเ ป, ปรูปธรรมว่ากิเลสมันก็เหมือนกับผีสิงอการแสดงออกทั้งหมดไม่ใช่คนนั้นแสดงแต่ว่าคนนั้นถูกสิงด้วยกิเลสก็ตกเป็นธาตุเป็นคนที่น่าสงสารในะอินโดทีนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ย มันข้าสู่กระแสของริยสัจนะเราจะเห็นว่าเพราะว่าสิ่งที่มองเนี่ยคือทุกข์สัจมองจนจนกิเลสมันจางคลายลงไปก็แสดงว่าสมาสติสสมาธิทิทสัมมาสังกปะปก็ไปเป็นแถวไปมีปริมาณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเดินไปจนถึงจุดที่ คล้อยตามต่อการสัตรูอริยสัตว์แล้วเกิดขึ้นในลำดับถัดไปเป็นชั้นสุดท้ายของวิปัสสนาญาณต่อจากนั้นก็จะเข้าก็เรียกโคตรภพูโคตรภพูญาณมันอยู่ระหว่างก็เ ร, รียกญาณครอมโคดอยู่ระหว่างปุ้ทุชนกับประสดาวปฏิมิ ผลสมาธิในข้อต่อไปเนี่ยจึงเป็นมัคคสมาธิิถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเป็นเป็นโลกุตระละมัคคสมาธิิก็อยู่ในกลุ่มของของโลกุตระสมาธิิแล้วก็ภารสมาธิคือปัญญาเห็นชอบในผล อันนี้เป็นการเห็นดน้วยญาณถ้าเห็นด้วยญาณแล้วก็เป็นเป็นเป็นโลกุตระแล้วเพราะฉะนันสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งก็เป็นโลกุตระสมาธิทีนี้ถ้าเราย่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งก็เป็นสมาธิิของปุถุชนคือคนทั่วไปสองสมาธิิของเสข บ, บุคคลคือบุคคลที่ยังกําลังศึกษาอยู่ ก็ดมาความมาธาตุธนับอย่างนี้นะฮะทานับอย่างนี้ก็มาความมาตั้งแต่ปโสรดาปฏิมาขึ้นไปแล้วก็อศาศขับุคคลก็คือพระอาหารหันต์ผู้ไม่ต้องศึกษาต่อไปอันนี้เป็นเป็นโลภุตระแท้ต้องฟังทั้งหลายเจตด้ว่าทำรรมั่งชุดชุดเนี่ยชุดในสมาธิที่สุดเนี่ยจะเป็นวิธีทีวิตที่ใกล้ชิตเ อ, อยู่ทุกวัน เพราะันมันจะขยายความออกไปเกินกว่าที่ปรากฏในพระสูตรก่อนคือสัจเลกสูตรพอถึจุดหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงถึงเช่นว่าปานอาทิบาตเนี่ยมันลักษณะยังไงเป็นปานอ า, าทิบาตปานอิบาตมีอง์เท่าไหร่จึงเป็นปานอ า, าทิบาตเพราะตามปกติแล้วเรื่องเหล่านี้เราเราไม่ค่อยได้ได้ศึกษาเรียนรู้กันเท่าไหร่ต้องฟังเท่าไหร่ เสียงธรรมจากป h าวิทยาลัย a n สีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังหลายดูยทัวกันสวัสดี